เรื่องผ้ากำพลขนหยาบหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่ผมผ้ากำพลขนหยาบภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีขนหยาบแต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าค่ะพระคุณเช้าผ้ากำพลขนหยาบท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาทิเศตหรือหนอจึงนำเรื่องนี้